แต่วันที่สบเก้ามา litigation. ไม่ไมีเวลาแล้วป่วยนี่้วยมันค่อยลดลงไปลดลงไปอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่สามวันมันค่อยลดลงตรงนี้แต่มันยังมีตรงนี้ทำไมากทําย่เือหเห็นไม่ใช่มเขามชมถามพูดแค่นี้ก็คนมากทามากผมมีปากเดียวจะให้พูดกับใครต่อใครหรือน ร้อยหูเรามือปากเดียวจนทักประธานใครอคอยู่ลาพังก็เหน่อยวันหนึมันได้เทศทุกวันทุกวันตอนเชา้ามันเลยจะกลายเป็นอะไรขึ้นมาทานข้าเรามาให้ได้เทศทุกวันทุกวันบผมนี่อาจเลเลไปเรืเร่ยรยอยๆคือคนึงสองค อ, อ, อะไรไไได้ไ คนก็ยิ่งเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเรากําลังเรายิ่งอ่อนลงปลให้เราบุกบือนก็ดีทนเอาทนโทนมมน้ําก็จะไม่ไหวมันเพียรแนวเข้าใจในที่สำคัญเมืม่อวานเราเป็นซื้อต่างๆขอบคุณไปแล้วไม่พูดเลยพูดพอให้รู้เรื่องอาจะดูก็ดูเสียถ้ากาดก็กาดเสียแล้วลงหว า, าดระแหยุดเลยหมดกาลังแนละ้วนั่งเฉยอยู่ ขนาดนี้ขึ้นเสร็จแล้วขนาดนั้นขึ้นขนะนี้ลงมีขนาดเพียเราอูด้วยปกติเรามันพออยพอดีไม่ขาดไม่เกินอยู่ลำพังคนเดียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ปกติปกติไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดทันมันจะมีการกำเริบของมันก็เรื่องของมันอยู่นะคือไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมมาเสริมส่งมันม่นขึ้น ว่าสบายวามีแขมีคนมาก็ต้องมอีพูดเนึ่งการมากบ้างน้อยบ้างอืมนี่มันขับมันเกินไปแล้วนั่นเพราะธาตุขันมันไม่ไตังใครเป็นไปตามเรื่องไหมไมาใช่มันเคยนประมาณมันก็ต้องเป็นไปไหมในปีนี้รู้สึกว่าธาตุขันชุดมากกว่าทุปีนะจะคล้องเองก่อนรู้ได้ชัด ทั้งความจำเลยความจําก็าเด่นมากในความเฉื่อยมันไม่ น, นึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงครูบาอาจารย์บางทีไปหยุดปึ๊กมันไม่อยากจะออกต้งนิ่งซะก่อนมันไม่อยากออกดึงเหมือนดึงสายยางรู้สึกว่ามันชี้เกียรนะ์ภาษาอาวุธผู้ชี้เกียน์ ก่อนมันไม่เป็ น, นตนนั้งแ่มึงนู้นมก็เป็นคุณชาติ ข, ขันขันมันยังดีใช่เลยเป็นตามหลักธรรมชาติของมันเราก็รู้เส้นเวลาคิดอะไรมากมากคิดเรื่องนั้นเรื่องนีกะัตัวนี้นานๆเขาเป็นมันหดเข้ามาหดเข้ามาทำจะกพักของมันันนั้นเราก็รู้เช่นอย่างเราเรียนทิมดิ เลยจมิต้องเอาสัญญาออกไปจับตับแป้นพิมพ์นี่จับไปจับมาบางข้าวไปมาหดเข้ามาออกมาไม่ได้เรื่องต้องมาหยุดพักนอนภาวนาอย่างนี้พักติดปวดถึงเรองขันมันระยะเวลามันเวลามันเดีจะหยุดมันขาดขันมันเดี่ยวมันหยุดก็เป็นอย่างนั้นนี่ต่อมาไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันมากกว่าคนนั้น ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่อยากคิดคิดอะไรๆเนี่ยมันหยุดของมันมันไม่ไปสมมุติว่าเดินไปอย่างนี้จะถ้ามันหยุดองนั้นต้องหยุดอืมนก้าวไปไม่ได้นะเพรามันไม่ออกนี่เมื่อไม่ออกมันก็ไม่มีสมมุติคันไม่ออกอืเป็นพักนี่กับพักนี่เดินไปเมื่อก็ตกไปเลยนีเพราะมันไม่ได้รู้ว่าอันนั้นเป็นพักนั้นนี่เป็นพักนี้พราะมันไม่แยบออกไปลุยเฉย ถ้าสวดอะไรอะไรอยู่นี่มันมันก็หยุดตรงมันนึกอะไรมันนึกไม่ออกมันนิ่งมันถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยุดซะก่อนนีมันเด่นแทนแล้วที่เกียดก็ทุกอย่างทุกอย่างนะมันเป็นของมันนะรู้ว่ามันอยู่งั้นนะในสุขชัดแบบเป็นเครื่องเครื่องมือจริงๆมันค่อยหดค่อยกุดค่อยด่วนเข้าไป อันี้จังอันี้จังอ้จังเลยตุ๊กังอันตรางไปด้วยกันนะั่นปีนี้สุดมากเหนื่อยไม่อยากจะเล่นกับอะไรแล้วนะทนน้อยเฉยนะถ้าปเป็นตามมัธยชาสัยเราโน่นมันคิดถึงป่าถึงเขาโน้นนะแปลงน่้มันไม่อยากมาอยู่รอบบ้านตามเมืองตามอะไร เ, ออเป็นโลกอันนั้นเป็นโลกอันนี้ มันอยู่เม่ยามันจะเป็นอย่นั้นจะเป็นนี้มันไม่สนใจเลยมันไม่เคยเป็นอารมณ์กับเรื่องโรคเรื่องยาว่าจะเป็นอย่างนั้นเปนนี้มาห่างอยู่ยาเลยดีไม่เดียวอยู่งั้นมันสบายของมันเลยมันจะเป็นอะไรไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยวเราปกติไม่ขาดไม่เกินเอียบททั้งสี่เสมอไม่ขาดไม่เกินดูสบายนั่นตามบันเดยวใจ มีประบาดมามีอะไรก็กินเถอะให้มันแค่เท่านั้นแล้วไปเลยเพราะมันไม่อยากนีวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะมีหิวมีอยากอะไรมันไม่มีทุกวันนี่นะไปเฉยๆกินประบาดเห็นอาหารอย่งนี้มันก็มันก็วัตถุต่างๆมันไม่ได้เหมือนอาหารน้นๆมันจะสัมผัสทีนึงยืบๆถ้าอย่างนั้นฉันได้นะตอนนี้มันเป็นเดือนๆมันก็ไม่มีมันเฉยเลยเฉยก็ยังดีกว่าที่มัน เบื่อ เ, อเลยเอ <c oughs> อย่างวันที่เป็นอันนี้อตกตอนเช้ามามันไข้ตัง้งคืนตอนเช้ามาเบื่อหมดเลยแล้วก็ทนเรางั้นเพรามีแข้ง ม, มีคนเอยู่นี้เต็ไมไหมดทำสะเทือนจิตใจหงุดหคนมากไปทนเราฝืนเราเนี่ยก็ฝืนเพราะโลกนี่แหละตามปกติของเราฝืนมันไ่ทําไมไม่อยากเราจะกินที่เท่านั้นพอ เราเคยปฏิบัติมันอยู่แล้วพ่อเหมาะพอดีกันขนาดไหนก็ปฏิบัติต่อกันขนาดนั้นฉันไม่อยากไม่หิวไม่อยากไม่กินฝืนไม่กินเสียเนี่ยมันก็สบายไปตามเรื่องของมันอันนี้มันอูกัโลกทําไงฐันของเราก็เป็นโลกโลกทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องกับขันนี้มันก็เป็นโลกเดียกันฝืนปฏิบัติต่อกั น, นอลยพยายามสอนหมูสอนเพื่อน สอนดังเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอมเต็มหัวใจอ่านสอนมู่เมื่นไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับเปิดเผยเอาด้วยความยากใหญ่ก็คือความทุศา์สานเป็นเหตุให้ลากให้ดึออกมาหมดอยากให้รู้อยากให้เห็นทำพระพุทธเจ้าให้สดจนร้อนประกาศกังวันให้โลกดินแดนได้ยินอยู่ ตามตำหนักเวลาเขาประกาศเข้ามาในหัวใจของผู้อ่านผู้ได้ยินได้ฟังจะไปไหนเข้ามาตรงนั้นสดสดล้นล้อหนึ่งมาหนอ่งพบหมุนขึ้นรับกันให้เหมาะแล้วก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาด้วการปฏิบัติเหมาะสมที่ควรจะได้ปรากฏสมาธิทำขึ้นภายในใจสมาธะทำขึ้นใน ใ, นใจมันก็รู้ปรากฏขึ้นตี ใ, ใจ ปรับใจควรจะเป็นอิปัตนาธรรมจะเป็นขั้นใดก็ตามก็ปรากฏขึ้นมาดสดๆร้อนๆอยู่อย่างนั้นมีการมีสถานที่วเวลาที่ไหนสำคัญใ่การปรับใจของตัวให้เข้าสู่ระดับธรรมที่คอยสัมผัสซึ่งมีอยู่แล้วคุณไงจะคอยที่จะสัมผัสกิจที่ปรับคึืนให้ถูกต้องเหมาะสมกันให้ทราบขึ้นภายในใจตัวเอง ดูดตลอดเวลาจึงว่าอากาลิโกกาลิโกการปฏิบัติเมืนรู้ทำเห็นทำเข้าไปโดยดําดามดาทเหล่านั้นจะห่างจากไกลที่ไหนจากตัวของเราเป็นธรรมสดๆร้อนๆเช่นว่าอากาลิโกก็ขึ้นอยู่ที่ใจนี่เลยเพราะปรับให้ถูกเลยอากาลิโกอากาลิโกนี่สวรค์าโตสวรคาโตเหมือนกัน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 นี่เวลาผลที่เกิดขึ้นจากการเอามาค่อยๆเอา ม, มาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาเพราะปรากฏเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจนี่เมื่อเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกปริพันธ์ไปนานแล้วเป็นแต่เรื่องของธาตุของขันที่เปลี่ยนสภาพไปสู่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 จิตก็เป็นจิตเป็นทีแสดงว่าจิตมันมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งลุกรามอยู่ภายในมันจึงลุกรามออกไปไปถึงไปแทรกไปสิงสิ่งเหล่านั้นแล้วปฏิเสธสารท่านรอขึ้นมาว่าเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของนั้นเป็นอนั้นอวัยวะนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นไปแตกแขนงไปแตกไปประทลายยิ่งยืดยิ่งถือยิ่งกว้างยิ่งขวางยิ่งหนักไปโดยลําดับลำดัหาเวลาเปิดเผยตัวเองออกมาให้รู้ไม่ได้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 พอสัมผัสปั๊บทางนี้กับภูมิปั๊บสำคัญมันหายไปปุ๊บๆๆแล้วเลื่อกหลงต่อหลงมันก็ตามกันไปยาวเหยียดหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ขึ้นชวากิีเลสอยากเข้าใจว่ามันมีสถานีไม่มีหาที่จอดแว้ไม่ได้ถ้าทำแล้วมีพอถึงขั้นใดภูมิใดแล้วอิมวอ่มตัวอิ่มตัวนะครับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมาิเต็มภูมิแล้วอิ่มตัว ไม่อยากได้สมาธิอะไรอีกเต็มตัวแล้วปรรญาเมื่อเก้าไปเก้าไปเต็มภูมิแล้วกเหมือนการก้าไปเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสคลิบหายวายวอดไปหมดจากใจแล้วปัญญาก็อิ่มตัวยิต ก, ก็อิ่มตัวนั่นแหละทำมีการมีความอิ่มพอถ้าโลกแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้โลกก็หมาทั้งที่กิเลสนั่นเอง มันหาความอิ่มพอไม่ได้มันจะขยบเรื่อยขยบเยรื่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกิเลสแล้วจะหาความสุขเพราะการตามกิเลสนี้ยังไม่มีวันเตอมีแต่สัญญาอารมณ์คาดไปหมายไปหมาไปความจริงไม่มีตามนั้นเลยไม่ว่าคนทุกข์คนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาด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 คนผู้จนก็อยากจะมั่งมีอมีความสุขความสบายแล้วมันก็ไม่สูงไอ้ผู้มีแล้วก็ไม่พอแล้วผลสุดท้ายหาความสุขเพราะความจนความมีมันไม่เห็นที่ตรงไหนเพราะความมู่ความใจร้ายมันไม่เห็นเพราะหาไม่ถูกจุดของมันหาตามแบบของเกลียดมันก็ได้เรื่องของเกลียดขึ้นมาเกลียดมันจะให้ความสุขความสบายจากโลกได้ยังไงนอกจากความทุกข์ความลำบาก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 มีความดูดื่มในธรรมนั่นแหละเรียกว่าติดคือเรายืดทางนี้ไม่ปล่อยไม่วางเหมือนเขาเดินทางเพื่อจุดหมายปลายทางทางนี้เป็นทางถูกเมื่อยืดได้แล้วไม่ปล่อยไม่วางแต่ว่าเขาติดทางก็ได้ไ ม, ไม่ติดทางไปไม่ถึงจุดหมายท่ามก็เหมือนกันต้องต้องยืดต้องเกาะต้องมีความพอใจในการที่จะก้าวเดินในการที่จะปฏิบตัติต่อต่อธรรมเอาถึงธรรมละเอียด ความสูขละเอียดเท่าไรความดูดเดิ่มก็ยิ่งมีกําลังมากความเห็นคุณค่าของธรรมหรือเห็นคุณของธรรมก็มีมากในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของกิเลสเป็นลาดับลาดามันก็ยิ่งหันหลังให้กิเลสเรื่อยเรืยหันหน้าเข้าสู่ธรรมความที่เกียร์ชี้คร้านต่อธรรมแต่กลับไปมีความขายันหมั่นเพียรกับกิเลสนั้นมันก็กลับกันมากลายเป็นความขายันหมั่นเพียรในอดในธรรมเสียทั้งสิ้น อันนี้ก็เห็นโทษของกิเลสเรียกว่าความขี้เกียจขี้ข้านในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออรรถธรรมนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเนี่ยต้องก็รู้รู้ไปในตัวนั่นแหละสาคัญที่เราไม่รู้ฉากหลังของกิเลสที่มันติดแนบด้านหลังเราทเมื่าเราจิดทั้งเราส่งไปข้างหน้ามันบงังคับไม่ส่งเสียะ ไม่ใช่ทาบังคับไม่ส่งที่ทําบังคับไม่ส่งกิเลสก็ฉุดลากความบังคับของธรรมนั้นออกเสียเป็นเอาความบังคับของมันสวมลอยเข้าไปมี่สิที่มันเราไม่เห็นอัตเม็ธธรรมเพราะเหตุ น, นี้เดินจงกรมกว่าที่นั่งสมาธิภาวนากว่าีตั้งสติสตั้งในท่าใดอียาบุตรใดก็ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาฉุดมาลากเอาสติอันนั้นออกอืมเอา หลักวิชามันเข้าแทนที่วิชาของมันเข้าแทนที่ไปหมดเดี๋ยวถ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินก็เดินไปงั้น่คิดไม่ได้อยู่กับงานของตัวเองนล้วไปอยู่กับงานของกิเลสจะต้งหมาะนี่ที่มันสาคัญในขณะที่เราทําเราก็ไม่รู้มันผ่านไปไม่รู้เองพอผ่านไปแล้วก็มองย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังเราถึงขั้นสติปัญญาขั้นเพียงไกาแล้วมันรู้อันตรงนั้นมันรู้แล้ว มันแทกมาตรงไหนมันก็ทันกันทันกันแต่ธรรมดานี่มันไม่ทันแล้วไม่รู้เดิ น, นโย ม, มอย น, นั้นแหละมีแต่กิเลสจูงให้เดินไม่ใช่ทำจูงให้เดินนั่งกับกิเลสนั่งหล่ะพาธทำไม่ใช่ภาวนาแล้วมันพาวนเลยวนไปวนมาแล้วจะเรื่องของกิเลสทำมัท่าไหนก็ไม่จะท่ากิเลสถ้าทําไม่มีแล้วจะเอาผลจากทำได้อย่างไรไม่มีไม่จะผลก็คือกิเลส ที่ทําความภาคเพียงมาเป็นเวลานานหลายปีหลายเดือนไม่ไม่ปรากฏก็เพราะอันนี้เองมันสวมรอยสวมลอยสวมลอยไอเราไม่รู้น่าจะทําไงการสอนก็สอนให้รู้ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นความจลิ่นล้วนๆที่พูดมาทั้งหมดไม่สงสัยในการสอนแต่ผู้ที่ยังจําไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมของกิเลสพาให้เป็นไปอยู่นั่นแหละทํำนี้เอาจริงเอาจังสําคัญ ความมุ่งมั่นนะเป็นหลักสำคัญมากที่จะทําให้เกิดกําลังใจขึ้นมาความมุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางของตนนั่นนหละมีกําลังมากแล้ว mm hmm. ิีนทั้งหลายก็เป็นไปซึ่งความเพียรความอดความทนมันหนักเป็นปไปตามดูดดืด่ดดมกันไปคือมันดึงดูดกันไปเองถ้าความมุ่งมั่นมีน้อยหรือความมุ่งมั่นไม่มีไม่มีนี่มันยากมันลำบากนอกจากจะเป็นบางกรณี ที่ทำไปธรมธรมดาธรรมดามันก็ไปะสะดุดเอาเสียอันใันนธรรม์ที่นี่มันทําให้เกิดความดุดดือขึ้นมาความดุดดือมาเนี่มันก็เป็นพลังอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสนใจแค่ที่จะไปวิปัสสนาแค่ที่อยากจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นในสิ่งที่เคยเป็นนี่มันก็มีกาลังเนี่ยนีปีนี้กัพันพระก็มากยังไม่เคยมีตั้งแต่ตั้งวัดมานม่นตั้งสามปีกวา่าจะว่าไง ใครก็ยำดูใครก็ยำดูให้เราก็สงสารเห็นใจเมื่อหนึ่งก็หนึ่งบวกกันก็ต้องเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปเรื่อยจนเป็นกระทั่งเต็มวัดนี่เราก็พึงเห็นใจท่านใจเราเหมือนใจเราที่เข้ามาศึกษาอบรมเห็นใจองค์อื่นผู้อื่นให้เห็นเช่นเดียวกับใจของเรามันจึงไม่มีการกระทบกระเทือนกัน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 วิเดษจะให้แฝนขึ้นมาความสําคัญว่าตนดิบตน ด, ตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะดีอย่างนั้นอย่างนี้เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสจะมาทําลายในหวัวใจตัวเองอีกด้วยให้ทันลงแล้วทําลายคนอื่นให้รับความเดือดร้อนได้รับความกระทบ ก, กระเทือนนี่แหละเรื่องของวิเลสเองถ้าเรื่องของธรรมแล้วมาเถิดมอืออสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้น พวกเรารวมอยู่ในคําว่าประจับประสตาร์ น, รานทางนั้นต่างคนต่างหุ่งหวังต่อการไปปฏิบัติต้องตั้งหน้าต่างตาทำพ่อวัดปฏิบัติอย่าได้คิดว่าองค์นั้นจะทําคนนี้จะทําเมื่อเมื่อตั้งเป็นวาระก็เพื่อให้มันเหมาะสมก็ทํามันเป็นมาระจริงๆไม่ตั้งก็กิจใ ด, ดการใดให้ถือว่าเป็นกิจเป็นการของและให้มีสติ สัมปัชัญญาติดแนบอยูกับงานทั้งตัวที่ทําในข้อวัดต่างๆเป็นการฝึกเหมือนกับเราเดินจงกรมนั้นเดินจงกรมเราเดินเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาจิตนั่งก็นั่งเพื่อรักษาจิตทําข้อวัดปฏิบัติอันใดก็เป็นกิจยาที่รักษาจิตเหมือนกันสําหรับผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสต้องเป็นกิจยาแห่งการกระทําเพื่อชําระจิตใจเพื่อความเปลี่ยนทั้งตนทั้งนั้น งานจิดต่ภาวนาเป็นงานละเอียดมากจึงไม่ประสงค์จะให้งานใดเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งทําให้เสียได้ยิ่งงานก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ดแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นค่าสึกต่องานจิตตภาวนาจึงต้องระมัดระวังเสมอแม้เช่นนั้นมันก็เป็นไปจนได้เพราะกีดนั้น ทั้งๆ ท, ที่เรามุ่งมาปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สวมรล่อยอยู่นั้นมันมีความยากมันมีความดึงดูดไปในหันหลังให้ทำเพื่อหันหน้าให้กิเลสอยู่โดยตรงดูลึกๆอยู่นั้นๆล่และแฝงกันอยนั้นเราไม่รู้ถ้ายิ่งมีการมีงานอะไรขึ้นมาแล้วนั่นแ่ะช่องทางออกของกิเลสมันจะได้แสดงตัวของมันเต็มที่นี่หลังที่เห็นๆกันนั่นไะดูะสิยุข้องดูยุของได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้ ถ้าดูมันก็ควรจะรู้นี่ดูไม่ได้ดูยากอะไรเลยแ ย, ยบถามกนเคยเห็นก็รู้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยมีเคยเป็นอยู่เต็มโลกเตียงสารนอกจากนั่งยังมันเคยมันเคยมีเคยเป็นอยู่ในหัวใจเราด้วยทําไมจะไม่รู้เรื่องของให ม, มันต้องรู้องปฏิบัติก็ยิ่ยงครับยิ่ยงแสบสถานที่บําเพ็ญก็ครับแฉเข้ามาเพราะโลก ศาตรโลกมันมีจำนวนมากขึ้นเรื่องราวทั้งหลายก็มากขึ้นมากขึ้นต่ตางๆกันส่วนมากก็มีแต่เรื่องเกลียดทำลายความสงอบสุขอันเป็นเรื่องของธรรมให้ขาดให้สิ้นสูญไปยังเหลือแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนกันนั่นแหละผู้ปฏิบัติซึ่งมีโอกาสเหมาะสมพอสมควรดังพวกเราที่เป็นพระนี่จึงควรขมักขม้นตั้งอกตั้งใจงคุตติปฏิบัติทุกข์ยอมทุกเถิดทุก ในการต่อสู้กิเลสไม่ใช่ทุกเพราะการต่อสู้กับธรรมนี่นะธรรมท่ามันมีอะไรพอจะให้ต่อสู้ท่านท่านไมเป็นข้าศึกต่อผู้ใดต่อสู้จิตบึกเบือนนี้มีล้วนแล้วตั้งแต่ต่อสู้กิเลสเพื่อเล็ดลอดออกไปทั้งนั้ น, น ย, ยากลำบากก็ต้องเห็นว่าการต่อสู้กิเลสนี้เป็นกุ่ยนี้กันกับเราไม่ถือไปนะมัน จะใหชนะจนได้ถ้าเราอดแอะเมื่อไห่ก็นั่นแหละคือการแพ้กิเลสความอดแอเป็นเรื่องของกิเลสนี่จะไม่แพ้มันได้อย่างไรความท้อแท้เรื้อรัความไม่เอาไหนด้วยแล้วก็ยิ่งกิเลสทั้งกองดี่ยว่เต็มในหัวใจกาภาวนาให้สังเกตเจ้าของรือภาวนาอย่างไรกำหนดด้วยธรรมบทใด เหมากับจเจดิศเมือม่อกําหนดลงไปแล้วจิตไปรับความสะดวกสบายเบาใจเปอยู่ก้อนทําบทนั้นแต่สติต้องเป็นพื้นสําคัญมากไม่ว่าจะทนนําบุตรใดถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งนั้นบริกรรมก็ว่าไปเลยจิตไปอยู่โน่นเป็นแต่เพียงคําบริกรรมติดปากเฉยๆติดความคิดเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้มีความจงใจให้รู้อยู่ทุกระยะระยะระยะ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 ในเบิกกิเดออกไปกว้างไปกว้างพัดแสแลก็ยิ่งมีความสุขความสบายเบาใจไปเรื่อยๆเรอยๆ เ, <c oughs> เอาจนให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วมันไม่มีอิเดียบทไม่มีการไม่มีฐานที่อะไรทั้งนั้นมันไม่มีสมมติใดๆเข้าไปสู่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นจะเอาอะไรมายุ่งความยุ่งก็เรื่องของสมมติ นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวนอันชึ้นสุดอันนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดูแต่ธาตุแต่ขันแต่กิการันไปยุ่งมันนี่ก็ยุ่งก็ให้รู้ก็รู้มันเสียโดยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเวลานี้มันยุ่งกับกิจกับการงานอันใดมันก็รู้อยู่เสีนนั้นไม่นเป็นกิเลสถ้าลงกิเลสไม่มีหน่หวใจแล้วทําอะไรลงไปมันก็ไม่เป็นกิเลสมันเป็นอัตโนมัติของเป็นหลักธรรมชาติของจิตอันนั้น มันมีตัวพิดอยู่นนั้นมากน้อยจะต้องแสดงขึ้นทันทีทันทีนมาศึกษาเวลามาทึกษาก็ตั้งใจศึกษาสิออกไปแล้วทะเลถลายเหมือนไม่มีครูมีอาจารย์อันนี้ผมอินหนาลาใจมากนะเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนถ้าไปแล้วทะเลถลายเสนลถลายอ้านไหนมันก็ปิดไม่อยู่การ แสดงออกของเราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูคนอื่นจนได้แหละถ้ามันต้องผาสกับสัมพันธ์กับตาหูแล้วมันไม่สัมผัสสัมพันธ์กับใจจะไปสัมบัติที่ไหนตาหูก็เป็นทางเดินของใจมันต้องเข้าที่นั่นต่อไปแล้วก็เหมือนไม่มีหลักีไม่มีเคยได้รับความอารมจากครูจากอาจารย์มาเลยข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะรักษาสงวนปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะจิตมันเหลว เหลวไหลนี่เลยถึงข้างในยังตั้งไม่ได้ครอบพรกปฏิบัติก็ควรจะตั้งได้เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุริสัยแล้วยิ่งภายในก็ตั้งหลักตั้งเจณได้ด้ได้ด้วยแล้วสิ่งอันนี้ก็เป็นไปตามกันเพราะฉะนั้นผู้มีหลักจิตการดำเนินปฏิบัติจึงสม่ำเสมอแล้วผู้มียิ่งเป็นผู้มีจิตอันตายตัวด้วยแล้วหลักปฏิบัติก็เป็นธรรมชาติตายตัว ไม่ลดไม่หยอด้วยความท้อแแ้อ่อนแอด้วยความเหนียวไหลรถล ด, ด่วนก็รถ ด, ด่วนไปตามเหตุการณ์มันเทนั้นนี่หลักใจจึงเป็นหลักสำคัญของปฏิปทาเครื่องหนึ่งต้องอะไรเวลาเข้าบรรษานี่ก็ไม่มีการมีงานอะไรถ้าอยู่ที่ไหนก็ประกอบแต่ความภาคเพียนทั้งตน อย่ามองดูไหนนอกจากหนูใจดวงนี้ดวงกอ่อเหตุนี่แหละเจ้าเหตุที่หนูใจให้ดูมันให้ดีอันนี้เป็นตัวกอ่อเหตุดูตัวนี้จะรู้ย่างหรือเล่าผมพูดอะไรมากมาไนั้นก็จะพูดเพียงเท่านี้แหละนั่นเหนื่อยไหนื่อยจริงเหนื่อพอแล้วคําว่า อ, อาวาดก็หมายถึงกาแพงวัดนี่นะ ก็เข้าใจแล้วไม่ได้เงรูถ้ายังไม่สว่างเป็นวันใหม่แล้วยังห้ามออกจากเขตวัดถ้าออกแล้วก็ขาดพรษาทำ ค, คำที่กล่าวนี้ก็แปอบ ใ, ให้ง่ายๆฟังกัน ง, านง่ายๆก่ะนท่าจะอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดใจมากคือสามเดือนถ้า อ, อย่างนั้น พยายามตั้งอกตั้งใจคิดปฏิบัติผุ้ดูมขวัติเป็นสมถารมยังไงก็ให้ดําเนินตามนั้นเช่นผุ้ดูมขวัติการไม่รับอาหารที่เขาตามมานี่ผู้แม่ผู้วาอาจารย์พาดําเนินมาท่านรู้สึกว่าท่านหนักแน่นมากเพราะอย่างวจารยร์ในเรื่องผู้ดูมขวัติข้อนี้ หลัก า, ามันจะไม่มีเหลื อ, อจริงๆนี่จะไม่เห็นเลยทุดงสิบสามข้ออยู่บรรด์ที่ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องชําระกิเลสทั้งหมวลเมื่อไม่มีอันนี้อันนี้แล้วจะเอาอะไรไปชาระกิเลส น, นี่หลักใหญ่ตรงนี้ข้าพันธุ์ปฏิบัติเอาแค่ น, นันนะ้นแหะนะการเข้ารรษาก็เข้าใจหลังแย้ว น, นะไม่พูดอะไรมากวันนี้เหนื่อย พ่อมันเหนื่อยมาหลายวันแนละ้วเลือกกันมักเรื่องผลมันไม่ได้ยู่ด้วยเรื่องงานนั่นงานนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี้นะสอนมเพื่อนกัส อ, อนไปเพื่อมักเพื่อผลด้รวยเห็นสดสร้อนๆต่อหน้าต่อตาค่ากิเลสเนียมันเห็นประจักษ์ในหัวใจเลยทีเดียวได้ยินเนแต่ข่าวผู้ได้เจ้าพระสงฆ์ชาวขั้นค่ากิเลส กิเตัวนั้นตายอย่างกิเลสตัวนี้ตายการเหยียบของกิเลสพังอยางในป่านั้นในเขาลูกนั้นในเขาลูกนี้กีฬาสําเร็จมากกนิพผ่านเราสําเร็จเป็นเรื่องของกิเลสสาเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสําเร็จไปด้วยราคะตัณหาสําเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้างความอ่อนแอท้อแท้เรอะไหล่มันสำเร็จไปงั้นนะพวกเรา มันสําเร็จไปตามทางท่านนะมันสำเร็จย้อนรุกสรกับพระพุทธเจ้ากับาศาสนธรรมมันสําเร็จแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งตน้นมันหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้หันหน้าไปห ม, มุนขอบเขตตะวันแล้วสมหวังแล้ววันนี้่มพยายามไปโดนมันนานนะไม้ต้นนีนะ้เห็นไหมแล้วหันหน้าดูต้นไม้ต้นไม้อยู่ทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะั่ พวกนี้นพสมหวังมาพวกสมหวั ง, วงพวกหน้าผากแตกมันไม่เห็นความโคความเศร้าของ ต, ตนนมจะเป็นอะไรโดออกหมดทั้งโคตรทั้งแฝงของคนตะบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรตนนนนไร้นม้ตัวนั้นถ้ามอยากให้หมดทั้งโคดนั้นหมีแต่คนหน้าผากแตกมันยันจะมีทียกันหมายกอมา เกี่ยวข้องมั้นี่มันจะพูดอางน้เพื่อนฟันางาสตราท่านทำูดาษแห่งมรคนิพพานก็บอกอู่แล้วหน่งระยะปฏิบัติปฏิเวทนี่นี่ครับกาดาษแห่งมรคนิพพานเลตรงนี้ก่ะดล้นๆอย่านี้สมัยนูย้นสมัยนี้ยหงไงทำไมกิเลสมันลากไปล่าภาพแล่ามงมู่มูอมูตัวตลาดาษมรคนิพพานมันให้หันหลังใส่น ไม่นหันหน้าถามพิเรน์หลอกเขาเรื่อยมอหันหน้าลงตุดพปแยกปฏิบัติไปด้วยงันจะไปไหนวะมันไปแยเกเครื่องยันหันมันมีแต่คาดตรงนั้นว่าผมก็เรือนถึ่งด้วเข้าใจาคือเราเรือนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเียงกัน ถ้ามีการเรียนดังเดียวไม่ก็ปฏิบัติก็จะมีกิรเรื่องควมเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียนเมืภาพปฏิบัติเรความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจังเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นความจริงเนี่ยของนั่งเราเหมือนว่าตาวันตานี่แต่กอนแราไม่เคยเห็นพอไยินคนว่าว่าตาวันตานี้เราจะต้องวาดภาพของเราตาวันต์ มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นรับใครเป็นสมภานเจ้าวัดมันก็เป็นอย่างนั้นนั่งนิ่งลักษณะท่ า, าทางอย่างนั้นนั่งนิ่งมีเป็นภาพความจํามาจากผู้อื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจํามาภาพหลอกนะเี่าะกล้าเข้ามาวัดปรางวันตานี้ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอยงนั้นนั่นกับความจริงมันเข้ากันดได้ไหม แล้วก็ไม่เคยเห็นพวกทั้งมันเพราะฉะนั้นต่อไปมันจึงหลอกและอีกมาพบครูบาอาจารย์เส้นหนึ่งผมไจะว่าที่นี่มาพบผมนี่เป็นยังไงคือภาพิว่าเกี่ยวกัเรื่องผมมันก็ล้มไปหมดเพราะมันทู่ความจริงไม่ได้พอมาเจอข้าพักความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเนั่นความจริงเวทความจริงมาวนที่ไม่สงสัยเอาปัหาพูด้เต็มปากมาวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไง การพูดคุยสนทนาค่ทาทีกันเรื่องอะไรหลไปยังไงพูดได้หมดคือเพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลที่อในวัดนั้นทั้งเรื่องราวที่พูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเป็นปาก น, นี่คือความจริงเราเรียนก็เหมือนกันเรียนนี่มันจะต้องว่าดภาพมัน พอภาพปฏิบัติเจเข้าไปมันปรากฏคําจริงขึ้นมาควผมจรงขึ้นมาที่นี่คือวันวาดภาพไว้ก็เหมือนอย่างว่าภาพกระป๋งนัและล้มไปลมไปลมไปตามโดยแบบมันต้องรู้ความจริงเต็มที่คํามจำก็ล่มไปหมดเรื่องว่าภาพหรือแต่ความจริงเต็มหัวใจทาในวงปฏิบัติมันต้องใช้ความลอบคอบมากอย่างนั้นทาให้โมไม่หลงได้ ในขังวุฒิการก็มีเป็นเขียงในตำราปันมาคือสำคัญตนเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงพลานไหนจนในท้ายความเป็นที่จน า, ามากขึ้นมีก็เคยเป็นแต่นั้ไม่ถึงกับตั้งเป็น เวลาเป็นชั่วโมงจริงนาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันพักเข้ามาแต่ว่าสิงที่จะลบล้างมันมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้บรรดาอยู่แล้วนี่งั้นเราไม่ควรจะไปตาใจกับอะไรง่ายง่ายต้องให้บรรดาพูดตัดสินื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะมันเต็มหัวใจแล้วรู้เองรู้เองอะไรที่ยังมีเงี้ยอะไรอยู่นั่นมันต้องม่กินไงมันมันตัดสินกันไปยันเดี๋ก่อนเลย ทำมันจริงแนละ้วมันจะ ม, มาสมมีแง่อะไรหนะนี่ั่งเราเป็นเครื่องรบล้างความสงสายเป็ น, นตัวว่ามันยังไม่จริงนี่ยผมเคยเป็นข้อระหว่างที่มันพุ่งอหมือนเหมือนม่งไฟเขาเรียกวงไฟดอกหรืออะไรทางนี้เขาเรียกไฟผนียงนะั่นที่เขาจุดมันฟูฟูนพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น่นนะเขาเอาพวกเหล็กพวกค้งอะไรนั่นมาบท่านละเอียดแล้วก็ทําเป็น มองไฟดอกที่ฝังไวดินนั้นขึ้นพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งไปแ ต, แต่แสงสว่างของกิ่นนี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันเรากำหนดดูมันสว่างโอ้จะเป็นนี่กลิ่นอยู่วะนั่นที่แรกกหลงมันแ่ะแต่เงี้เรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรอะไรพอเรากำหนดว่าทำไมเป็นนี้พุงพ่งพุ่งไปพุ่งพุงพงพ่งนี่เราก็ตามดู มันก็พุงพ่งขึ้นเรื่อยที่ทนี่พุ่งขึ้นเรื่อยเรืยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเราดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่นจุดเมกนน่นนะดูใชอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วทีนี้เรากําหนดย้อนเอาคนีย้อนลงไปมไรมันเป็นยังไงที่แรกมันก็ออกไปจากจิตแค่ไหนมันพุงพ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปนะกําหนดจิตค่อยค่อ ย, อยจิต ย, ย้อนมาย้อนมาอันนั้นมันก็ ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ําลงตําลงความสว่างนั้นนะหดลงหดลงค่อยค่อยย้อจิเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจแต่ว่าเราฉลาดก็เป็นหินรับปัญญาเรค่อยถอยถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้าม า, ย, มาย้อนจิตเข้ามาเรื่อย อ, อันนั้นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิต พอจิตเข้าถึงตัวตืกอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเอง อ, อาการทั้งจิตมันพิสดารมากที่หลงหลงอย่างนี้เองไหนเราก็รู้มันไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกันถ้าเราไม่หลงจะอย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการทังจิตว่ามันเป็นประดานหลายเนี่ยหลายกระทรงมากคือเดียวทีผม พูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะลูกอมนี่เหมือนกันมีอย่างแบบขมวดลงไปเป็นขมวดไปมันก็เป็นน้ํามันบางเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบเพิบเลยแต่ส่วนนั้นมันจะมากจะเป็นเวลาผ่าผลนะชาจะปิบัญญาให้มากชาต่างเติมที่มันเป็นได้อย่างนั้นมันเป็นในสองอย่างเราจะอุปโภตัมันก็ถูกแล้ก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ ถึงวันใดถึงเหตุการใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมามเองนี่ยมันค่อยค่อยสงบตัวก็ไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ครั้งนี้นี่มันไม่อยอานฐานนะชันนี้ที่มันอานฐานจริงๆก็คือเรื่องของปัญญามันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยใหม่อันนี้อานานมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอานฐานก็อานฐาน ประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบในเป็นอพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่นะ้วนี่มันไม่มีอะไรถ้ราพูดตามปกติอย่างผมมันเรงสมาธินี่มันทํานาญมากจริงๆกําหน ด, ดให้หยุดเมื่อไหร่มันหยุดได้เลยเพราะมันอยากจะหยุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกําหน ด, ดเข้าไปนนแน่ๆแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดด้วยแต่ความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวทัไม ที่นันกลายเป็นสมาธิที่เกลยดไม่มีอะไรก็ไปรบกวนเหลือแต่ความรุ่นแน่วันสุดท้ายวันนี้เรอนี่พ่านจะองนี้แหละองนี้แล้วลยอยู่นั่นไม่ได้เรื่องเวลามันเป็นสมาธิด้วยอํานาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันสว่างกระจ่างแม้มันอาจมันหานพูดไปถูกประจับใจประทับใจไม่ลืมนิบี่ิวัเพิ่หนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญา วนเล่าเข้ามาจนหมดถ้ามันมีรังผ้งเพิบมลงเลยหายเงียบไปหมดทั้งกายไม่สานไปไหนทั้งทั้งตกายกันนั่งอยู่งั้นแหละมันทําไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้จะแบบสักแต่ว่ารู้นี่นะถ้าจะมาให้ลูกยิงก็นั่งกับไม่ถูกอีกแหละกับธรรมชาตินั้นนั่นสัจจ่วารู้และอัศจรรย์ไม่มีอะไรข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจาก ควเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงคัดแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นเป็นยังไงนั่นคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรมมกธรมชาติขึ้นหว่าสักตะวันปาปรากฏคือว่า ส, าาสักเทว่ะจริงๆนั่นแหละความรู้นี่ยสําคัญมากนะกตะวันว่าปรากฏและอจจัจฉริยะทั้งที่อวิชชาครอบหัวมืนั้นน่ะ วิชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังปแปกประหลากระนัง น, นี่เนาะไปอของอวิชชามันแตกกระเด็นมาเป็นผูยปกงหมดลองดูสๆๆิจะเป็นยังไงใครจะไปฆ่าไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติมันหมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองนักท่านหลาดท่านบอกทําที่ติโกูคือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่ทั้งเดือนไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้เลยมันธรรมชาติแท้ อาละคุเด็ก่นะ